เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูนะถนงแม้จมีเวลาว่างหนาทีสนาทีนเราก็จะทิ้ง้วปล่อยให้ใจสเปสสปะไปเรื่อยๆถ้าเรามีเวลาว่างนิดหน่อยนะหายใจไปรู้สึกตัวไปได้ประโยชน์หายใจสบายๆนะไม่กลิงเกินไป หาใจอย่างมีความสุขหายใจให้มันมีความสุขเคล็ดลับของสมาธิอยู่ที่ความสุขนี่แหละถ้าใจเรามีความสุขนะหายใจไปเนะีแป๊บเดียวก็สงบนะแต่ถ้าหายใจเราก็เครียดเลยอยากสงบเนงะี้ยเครียดก็ไม่สงบความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินั่นแหละ หายใจให้มันมีความสุขสบายสบายทุกวันแบ่งเวลาไว้นะทำสัก5นาที10นาทีทำให้ได้ทุกวันหายใจไปยังมีความสุขแล้วก็สบายคอยรู้ทันใจของเราใจเผลอไปหนีไปคิดรู้ทันนะใจไปเพ่งอารมณ์อยู่อันเดียวให้ไปเพ่งลมหายใจรู้ทัน ขัดใหม่ๆ ใ, ใจจะหนีคิดวอกแวกวอกแวกเราก็ไม่ว่ามันเราก็หายใจของเราไปอย่างมีความสุขก็รู้ทันว่าใจมันหนีไปคิดไม่ห้ามมันไม่ว่ามันหรอกฝึกให้ได้ทุกวันนะสัก1ินาทีทุกวันสมาธิของเราจะเพิ่มสิ่งที่คารวะขาดนะทำให้บรรลุมักผลช้ามีสองอันนะอันหนึ่งก็คือสมาธิไม่พอ อีกงันหนึ่งก็คือปฏิบัติไม่ต่อเนื่องเราต้องแก้จุดอ่อนตัวนี้นะสมาธิเราพอการปฏิบัติต่อเนื่องเราก็จะได้ผลสมาธิก็ต้องฝึกให้ถูกชนิดถูกวิธีสมาธิมีหลายอย่างที่ฝึกกันส่วนใหญ่มันเป็นมิจฉาสมาธิสมาธิลืมเนื้อลืมตัวสมาธิอย่างนั้นกวางการบรรลุมรรคผล ต้องทำสมาธิรู้สึกตัวเห็นร่างกายหายใจใจเราสบายเป็นคนดูไปสบายๆจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวทุกวันเราต้องทำในรูปแบบแบ่งเวลาไว้สักสิบนาทีสิบห้านาทีไม่ต้องมากถ้าเริ่มต้นตั้งใจทำให้มากนะจะทำได้ไม่กี่วันแล้วก็เลิกไปเมื่อต้อนเอาสักสิบนาที15หนาที15้านาทีกาลังสวย กำลสวยคือทรมานไม่มากทรมานเริ่มต้นทรมานมากแล้วก็เลิกไปเลยเริ่มต้นฝืนใจนิดๆอยากนั่งแค่5นาทีนั่งเป็นสินาทีฝืนหน่อยๆการที่เราทําในรูปแบบนะหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวหายใจไปอย่างมีความสุขหายใจแล้วมีสติอยู่สมาธิเราจะเพิ่มขึ้น การทําในรูปแบบทุกวันเนี่ยมันเป็นการย้ํากับตัวเองเตือนตัวเองไม่ให้ย่อหย่อนไม่มีข้ออ้างที่จะไม่ปฏิบัติถ้าเราทําทุกวันทุกวันนะสินาที15นาทีอะไรเนี่ยนอกจากสมาธิเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยพลังของจิตจะแรงขึ้นด้วยจิตใจที่มันได้ทําความดีตามที่ตั้งใจไว้ยังไม่ท้อถอย ทำไปเรื่อยๆนะ้นึกถึงแล้วมันอิ่มใจนะมันจะเป็นทําให้เราไม่เตลดเิดเปิดเฟิงถ้าเราทําบ้างไม่ทําบ้างมีข้ออ้างเยอะวันนี้ต้องไปเลี้ยงโต๊ะแช่ไม่ภาวนาสมมตินะวันนี้จะต้องไปโน่นไปนี่ไม่ภาวนามีข้ออ้างมีข้ออ้างไม่เด็ดเดี่ยวแล้วก็ไม่ต่อเนื่องถ้าทําได้ทุกวัน แล้วมีสมาธิเพิ่มขึ้นมีความต่อเนื่องเกิดขึ้นโอกาสที่จะได้มรรคผลในชีวิตนี้นก็เป็นไปได้ฆราวาสไม่ได้ด้อยกว่าพระนะในขั้นต้นๆโสนาสกทาคาเ์เนฆราวาสก็ทำได้ขั้นานาคาเนยราวาสทำยากเพราะวาสเน่จมอยู่ในกามกามไม่ใช่เซ็กนะไม่ใช่แค่นั้นกามหมายถึงว่า การหาความเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิน่นในรสในสัมผัสในพวกนี้ยังเพลินกัวาการดูหนังฟังเพลงดูละครนะแต่งเนื้อแต่งตัวสวยงามอะไรนี่เพลินทุกวันอย่างนี้นี้เรียกว่ากามฆราวาด่ชีวิตเราหมกอยู่ในกามพระเจ้าท่านเทียบกามเหมือนน้ำนะเหมือนน้ำพวกเราเหมือนกิ่งไม้ กิงไม้บางจริงนีตกอยู่ในน้ําด้วยเป็นไม้สดด้วยอยู่ในน้ําด้วยดึงขึ้นมาจากน้ํามาจุดไฟไม่ติดเอาจิตที่ชุ่มอยู่ในกามหรือจิตเปียกน้ําจุดไฟไม่ติดธรรมะไม่ติดสทัทีบางคนเป็นไม้สดนะคารวาสยังไงก็ไม้สดแต่บางคนไม่หมกมุ่นในกาม ติดสักพักหนึ่งนะยากหน่อยแต่ว่าติดได้ยังพอติดได้ถ้าเราเป็นนักบวชนะมันก็คล้ายๆเราออกมาจากน้ำแล้วพ้นน้ำมาเนื่อภาวนาไปเรื่อยเป็นไม้แห้งไม้แห้งอยู่บนบกบางทีไม่ทันจะจุดไฟเลยนะอากาศร้อนจัดๆติดไฟเองเลยจะได้มากผลง่าย เราทําในรูปแบบนะมันจะเบรกตัวเองออกจากกามด้วยถึงเวลาเราภาวนานะใจเราจะไม่ไหลหลงไหลในกามมากนะักถ้าเราทําในรูปแบบทุกวันทุกวันนะต่อไปเวลาเราอยู่ในชีวิตประจําวันสติจะเกิดบ่อยเพราะตอนที่เราหัดทําในรูปแบบเราคอยรู้ทันเราคอยมีสติอยู่จิตเคลื่อนไปเรารู้จิตไปทําอะไรเราก็รู้นะ ถ้าไปอยู่ในชีวิตประจําวัน ส, วสติจะเกิดเองเกิดได้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นดงั้นการทําในรูปแบบนี่จะทําให้การปฏิบัติในชีวิตประจําวันนะ่ะดีขึ้นด้วยถ้าเราปฏิบัติในชีวิตประจําวันรวดไปเลยนะไม่ทําในรูปแบบนี่จะทําได้ช่วงเดียวกําลังตกทําไม่ได้จริงเหงือ้นทุกวันต้องปฏิบัตินะสินาทีเท่านั้นแหละขอ10นาที15นาทีไม่ขอมากหรอก ขอมากแล้วไม่ให้ใครให้ได้บ้างตอนอยังคืนทําไม่ได้ทําเช้านะยัางคืนนั่งแล้วหลับหมดเรื่องหมดแรงหลับตื่นนอนไวขึ้นหน่อยทำไวขึ้นหน่อยทําใจเช้าเลยสักรอบหนึ่งนะต่อไปกลางวันกินข้าวกลางวันแล้วปฏิบัติในรูปแบบอีกสักรอบหนึ่งไม่ต้องนั่งก็ได้เดินก็ได้เดินย่อยอาหาร เดินไปเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูเนื้อทําในรูปแบบไม่จเป็นมัต้องอยู่ในห้องพระหรอกแต่ว่าทำประจำถึงเวลานี้ก็ทาถึงเวลานี้ก็ทำหลวงพ่อถึงขนาดแต่ละชั่วโมงนะแบ่งเวลานิดนึงสองสามนาทีเท่านั้นนะอ่ะนั่งทำงานไปช่วงหนึ่งถ้างานไม่ติดพันจริงๆทำงานไปช่วงหนึ่ง้วลุกขึ้นเดินไปห้องน้องห้อ ง, น, อ ง, น, องน้ำอะไรอย่างเงี้ย เห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูนะกลับมาเดินกลับมาเนี่ยดูจิตกลับมาได้แล้วถ้าช่วงที่เราทำงานที่ต้องคิดหนักๆดูจิตไม่รู้เรื่องเราดูไกลเห็นร่างกายมันเดินไปห้องน้ำเห็นร่างกายมันเดินกลับมาอย่างนี้ก็ยังดีถ้าเราฝึกไปชำนาญ น, นะเห็นร่างกายเดินไปนะตอนกลับมาเห็นจิตใจแล้วจิตใจผ่อนคลายมีความสุข เข้าห้องสุ ข, ขามีความสุขก็ขตั้งชื่อเก่งจริงนะแบ่งเวลานะนาที2นาทีเก็บให้หมดเลยมีเวลานิดๆหน่อยๆนะสมมติระหว่างสมมติเจ้านายเรียกไปหรือนั่งรอลูกค้านะเราเตรียมทุกอย่างพร้อมนะมีเวลาเหลือ 2-3 นาทีนั่งหายใจไปรู้สึกตัวไปให้ได้แรงถ้าจะเจราจากับลูกค้านะ เขาใจสบายใจมีความสุขเจรจาง่ายบางทีเขาเห็นหน้าเราเขาก็ตกลงแล้วเพราะหน้าตาเราจะดูไม่ขี้โกงดูดีดูดน่าเชื่อถือดูมีความสุขมีความสงบให้ส่งกันบ้านให้คนที่อยู่วัดมีสิทธิ์ส่งกันบ้านก่อน ก็รู้สึกสบายขึ้นค่ะจากตอนแรกที่เริ่มเข้ามามาบอกว่าจะมาอยู่วัดเนี่ยก็จะเกรงมากแล้วก็ปวไว้แล้วก็เพอเพอก็ลอยต้ล อ, ลอยไปอะ่ะก็รู้สึกเริ่มจิตมีกําลังแล้วละ่ะเริ่มมีกําลังขึ้นแล้วดีหนูสงสัยนิดนึงฮะเกี่ยวกับปฏิบัติแบบในรูปแบบเนี่ยค่ะคือไม่จําเป็นต้องนั่งขัดสมาธิให้มันเป็นเกร่งแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนทําในรูปแบบวันเดินเอา นั่งเอาก็ได้เดินเอาก็ได้ทำอะไรไม่ได้เลยนั่งสวดมนต์ก็ได้นั่งพับเพียบสวดนั่งคุกเข่าสวดไม่ไหวนั่งเก้าอี้สวดก็ได้ไม่ว่าอะไรสักอย่างให้ทำประจำทำทุกวันจะได้พลังนมัสรคหลวงพ่ อ, อ, อหนูขอรายงานการปฏิบัติช่วงที่อยู่วัดนะคะวันที่หนึ่งกับวันที่สองรู้สึกว่ารู้ตัวได้เรื่อยือ เป็นค่อนข้างจะสบายเวลารู้นี่เหมือนมันรู้เข้ามาที่ใจเยอะขึ้นบางทีเหมือนมันมาแบบสันสันบางทีเหมือนมันมาแบบแหลมแหลมจรมิงๆหรือว่ากระแทกมากีม้างนีทุบมาอย่างมีเลยคราวนี้พอวันที่สามเนี่ยหนูฟุ้งกระจายจิตไม่ถึงฐานเลย <c oughs> มาฟังครูบาอาตอนช่วงเช้า <c oughs> พยายามแก้มันอยู่ค่ะ แล้วคราวนี้พอดีเออสายๆหน่อยมีได้คุยกับท่านพี่พี่ท่านหนึ่งท่านก็สอนหนูเยอะเหมือนกันค่ะแต่หนูมันโง่จับได้ไม่ถึงสักสิเอร์เซ็นแต่จิตนี่มันเหมือนมันเป็นอีกสิ่งมีชีวิตอันนึงมันเข้าใจอะค่ะมันมันคงยอมรับของมันหนูก็ไม่รุ่มกันหนูเห็นมันดิ้นขุขักขุขัแล้วมันก็กระจ่างออกมาเลยทางทั้งที่หนูก็นั่งงงของหนูไปเรื่อยๆมันเป็นเองมันไม่ใช่เราค่ะแต่หนูก็เห็นว่าหนูแอบประคองมันอยู่เหมือนกันอื พอวันรุ่งขึ้นคราวนี้หนูเพ่งเลยตื่นมาแต่เชา้ารู้สึกปวดหัวตรงอย่างเดิมหาะที่เดิมมันเหมือนเหมือนมันเข้าไปในร่องซึ่งมันเข้าอยู่เป็นประจำมันจะมีสัญญาณมาก่อนว่า ม, มันกำลังจะปวดหัวแล้วนะทุกครั้งวิธีของหนูคือจะเดินจงกร ม, มเหมือนกับว่าเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวแล้วมันก็จะดีขึ้นเอง แต่ว่าเมื่อวานนี้มันสุดๆเลยค่ะมันทําอะไรไม่ได้มันยิ่งเดินรงกลมเนี่ยมันยิ่งไปหนักขึ้นไปอีกถ้าอยู่ที่บ้านหนูจะหนีเลยค่ะแอบไปเที่ยวแล้วพอเวลามันแอบดูมันแล้วพอเมื่อไหร่มันดีก็ค่อยกลับมาดูใหม่นี้ว่านู้วึกมันทรมานมากอยู่วัดมันหนีไม่ได้ค่ะหนูก็เลยฟังเทปหลวงพ่อฟังแล้วเสร็จหนูก็เห็นว่าเมื่อกี้มันเผลอแล้วซึ่งมันก็รู้รู้แล้วรู้ว่าเมื่อกี้มันไม่ได้เพ่งด้วยหลังจากนั้นมันก็กลับมาเพ่งขึ้นมาใหม่ ค่ะแล้วก็มันก็เป็นอย่างเงี้ยวนไปวนมาค่ะตอนช่วงนี้มันก็เรื่องไกลก็รู้สึกสบายดูเขาทํางานไปนะเราบังคับเขาไม่ได้หรอกค่ะเดี๋ยวก็เผลอไปแดียวก็รู้แล้วก็เพ่งเป็นสามัญสลับไปอย่างนั้นเลยค่ะไม่ได้ฝึกเอารู้แต่ฝึกให้เห็นว่าเผลอก็ห้ามไม่ได้รู้ก็บังคับไม่ได้เพ่งก็ห้ามไม่ได้นะดูไปอย่างนั้นค่ะขอการบ้านเพิ่มด้วยค่ะหลวงพ่อไปทําบ่อยๆสินะรู้วิธีแล้วล่ะ อ่ตน้ำมาสการค่ะหลวงพ่อมาส่งการบ้าหลวงพ่อครั้งที่หลวงพ่อบอกว่ามันเอื่อยๆไม่ค่อยกระตือนเลยโล่นะคะหลวงพ่อทําหน้าให้ดูด้วยก็เราก็เลยไปอ่าปรับหลายอย่างค่ะตอนนี้ก็คิดว่าดีขึ้นแต่มันก็ยังไม่ไม่ก็ดีขึ้นนะไม่หายขาดค่ะดีขึ้นแล้วไปทําอีกหลวงพ่อหนาสอนหลักของการปฏิบัติให้เยอะมากนะ ฟังหลักให้แม่นแล้วก็ไปสังเกตตัวเองเอาสอนให้ตั้งแต่ขั้นกอกไก่ถึงหอน้ฮูกเลยเราไปดูเอาว่าตอนนี้เราถึงอะไรถึงงองงูถึงจอจานอะไรอย่างเงี้ยดูไปบางคนพอเริ่มดูอุย้ยส่อเสือแล้วอะไรเงี้ยใจเป็นงูตกกระไดขึ้นไปซะสูรีบเลยเลยลงมากกไก่อีกนะเราไปสังเกตเอาใจฟุ้งซ่านให้รู้เอาใจเข้าฐานให้รู้เอานะ ใจสุขใจทุกข์ใจดีใจร้ายดูเขาทำงานไปเรื่อยไม่ไ้อยบังคับว่าจะต้องเอาอย่างนั้นอย่างนี้นะกระทั่งตัวรู้ก็ไม่ได้เอาไว้เอาไม่ได้เอาไว้ไไไวรักษาเราฝึกให้มีตัวรู้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าชีวิตช่วงที่หลงเนี่ยมันก็ช่วงหนึ่งชีวิตช่วงที่รู้ขึ้นมานี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งโคลโลนกันเป็นการตัดตอนชีวิตเราให้ขาดเป็นช่วงๆถ้าเราไม่มีตัวรู้ไม่มีความรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยเราจะหลงตลอดเวลา มันก็จะหลงอยู่คงที่งชีวิตมีอันเดียวคือหลงนั้นเราต้องพยายามทำให้เป็นสองอันคือมีชีวิตที่หลงไปช่วงหนึ่งแล้วก็รู้สึกขึ้นมามีชีวิตที่รู้เดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้ถ้าบางคนกลัวจะหลงก็ไปเพ่งต่อถ้ประเภทหลงไปแล้วก็รู้ว่าหลงแล้วก็เพ่งดันนั้นไม่ค่อยจะดีแต่ห้ามไม่ได้เราปฏิบัติไม่ใช่เพื่อเอารู้ไม่ใช่เพื่อปฏิเสธหลง แต่ปฏิบัติเพื่อให้เห็นว่าหลงก็ไม่เที่ยงรู้ก็ไม่เที่ยงหลงก็ห้ามไม่ได้รู้ก็รักษาไม่ได้ต้องการตรงนี้นะเพราะงันปฏิบัติเนี่ยในขั้นเดินปัญญาเนี่ยไม่ดีก็ได้มีกิเลสก็ได้แต่ให้รู้ทันแค่นั้นเองแล้วก็จะเห็นเลยอย่างจิตของเราที่โลภจิตมีความโลภขึ้นมาเรารู้ทันแล้วเกิดจิตไม่โลภขึ้นมาเดี๋ยวก็โลภใหม่จิตไม่โลภหายไปเกิดจิตโลภอีกละนี่ย เราเห็นเลยทั้งวันนะจิตมีแต่โลภกับไม่โลภจิตมีแต่ความไม่เที่ยงเนี่ยเราต้องการให้เห็นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ต้องการเอาดีอะไรหรอกปฏิบัติไม่ได้มุ่งเอาดีเอาความสุขเอาความสงบนะเพรดีไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงสงบก็ไม่เที่ยงไม่เอามันหรอกของเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้จริงแต่ปฏิบัติให้เห็นความจริงทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราถ้าความรู้ความเข้าใจอันนี้เกิดขึ้นมาล้างกิเลสได้ ล้างด้วยปัญญาคือความเข้าใจของจิตปัญญาไม่ใช่ความฉลาดของเรานะเมืางคนเรียนหนังสือทางโลกเก่งมากเลยแต่ไม่มีปัญญาทางธรรมเป็นด็อกเตอร์เป็นหมอนะอะไรเงี้ยอาจจะเก่งทางโลกแต่ไม่มีปัญญาทางธรรมพอมาหาัดดูของจริงเอาแต่คิดเอาเลยก็มีไม่ได้เรื่องนะอย่างนั้น นมัศ ก, การคร่ะพระอาจารย์ค<ม>ราวที่แล้วที่โยมมาส่งกันบ้างแล้วแบบจิตมันเป็นจิต ม, มารแล้วก็ไม่ค่อยจะยอมรับตัวเองคะคะพระอาจารย์<ม>แต่พอว่า<ม>เริ่มยอมรับได้น่ะจิต ม, มันก็จะลดอิกรีจากความรไายการลงเหลือประมาณแบบแม่มดแล้วก็เป็นแบบ<ม>อันตรภา น, นี่ค่ะพระอาจารย์แต่ว่าตอนนี้จิตแบบจิตที่รักดีเขาก็ไม่ฉุด ล, ละค่ะ<ม>อืแต่ว่าบางทีเขา อ, อาจจะแบบหลบเอาไว้ว้างบ้างนี่นค่ะพระอาจารย์เราเลื่อถือว่าจิตมันไปพักผ่อนนะ แต่ว่าหลบหยูดชั่วคราวแล้วก็ต้องมาดูกายดูใจของเราต่ออย่าไปติดว่างติดว่างไม่ไปไหนค่ะไปดูต่อเป็นแม่มดซะดีแล้วดีกว่าเป็นมารแต่ตอนนี้ก็แบบลดลงไปเยอะค่ะแบบเหลือเพียงแค่หงุดหงิดแล้วก็ยังมีนิดหน่อ ย, ยอยู่ค่ะพ่อจ้าเราไม่ห้ามหรอกนะเห็นไหมจิตมันหงุดหงิดได้เองดูออกยัง ดูออกค่ะเออมันเป็นเองอ่ะมันหงุดหงิดเองมันสงบเองมันดีเองมันร้ายเองมันไม่ใช่เราหรอกดูไปเรื่อยนะถึงวันหนึ่งก็จะเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราหรอกถ้าเราเห็นเมื่อไหร่ว่าจิตไม่ใช่ตัวเรานะั้นในโลกนี้จะไม่มีอะไรเป็นเราอีกถ้าวันหนึ่งเห็นความจริงว่าจิตนี้เป็นตัวทุกขนะ์ในโลกนี้ทั้งหมดจะเป็นตัวทุกข์อีกถ้าวันใดไม่ยึดถือจิตวันนั้นก็จะไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกอีกงนั้นจิตนี้เป็นตัวแตกหักเลยนะไปหัดนะ ทำได้ดีชละค่ะน้ำมัสการค่ะขอยกย่องชมเชยนะจากมารมาเป็นแม่มดดีมารนี่ไม่ได้เรื่องเลยราบน้ำมัสการหลวงพ่อค่ะหนูขอโอกาสส่งการบ้านใครส่งหลวงพ่อครั้งหนึ่งเมื่อสามสี่ปีก่อนนะคะท่นี้ช่วงนี้ก็คือที่ผ่านมาสามสปีหลังอันนี้ก็คือ สติตอนช่วงถ้ามันเกิดเดี๋ยวใช่ไหมคะก็จะเกิดอย่างอย่างเช่นเห็นเป็นสัมโลโมชันเป็นช็อตช็อช็อชอันนี้ก็จะเข้าใจตามที่เคยเคยว่าเป็นเหมือนดวงหนึ่งเกิดขึ้นเป็นดวงต่อเนื่องกันไปแต่ว่าตอนนั้นจะไม่เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวไม่เห็นเป็นไตรักแต่ตอนหลังหลังจากนั้นผ่านมาก็จะเห็นอันนี้คือไตรักเห็นอย่างนี้ถูกต้องไหมคะเห็นอย่างนี้ก็ถูกนะแต่ยังจะไม่ล้างกิเลสเพราะว่ามันเป็นการสรุปตามหลัง ตรงที่ปัญญากเกิดเนี่ยเราเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่ยเราเกิดความเข้าใจขึ้นในขณะนั้นเลยมนะั น, นจะล้างกิเลส<ะ>อย่างนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกันเราเห็นไตรลักษณ์แต่การเห็นไตรลักษณ์ตามหลังเนี่ยเขาเรียกว่าเราได้สมมสนญาณ น, นะก็ดีเหมือนกันค่ะขอหลายข้อนะคะหลวงพ่อเพราะว่า30สปไีได้ได้เพราะว่าเหลืออีกคนเดียวเอง แล้วก็ปกติตอนนั่งสมาธิอาหาะอย่างที่หลวงพ่อเคยสอนก็คือจะนั่งเสร็จแล้วเนี่ยจะตั้งจิตจะตั้งมั่นเสร็จแล้วก็จะเห็นเสียงได้ยินเสียงจิตมันก็จะวิ่งไปวิ่งมาหรือว่าหลงไปคิดก็จะรู้อันนี้จิตจะตั้งมั่นอยู่ตอนที่ติดปกติเนี่ยท่านจะแยกกายนี่ก็จะเห็นกายอยู่เฉยๆตอนนี้ถือว่าเป็นการนั่งสมาธิแบบพักผ่อนเอาแรงใช่ไหมฮะแต่ตอนที่วิ่งไปวิ่งมาเห็นมันว่าจิตมันเป็นอนัตตาอันนี้ถือว่าเดินปัญญาอยู่ใช่ไหมคะ ตอนที่มันเดินปัญญานี่ก็ส่วนหนึ่งนะตอนที่เกิดปัญญาก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะตอนเดินปัญญาไปแล้วบางทีจิตก็เข้ามาพักเดีวก็ออกเดินอีกแต่ตรงที่เกิดความรู้ความเข้าใจมันเกิดในแว บ, บเดียวเองอ่ะเคยเค ย, เคยเห็นว่าเนี่ยจิตมันไม่ใช่มันเป็นอนัตตาแบบบังคับไม่ได้ อ, อันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ใช่ใช่ใช้ ไ, ได้นะเป็นปัญญาแต่ยังไม่ถึงขั้นปัญญาในมรักษะนะถ้าปัญญาในมรรันจะล้างกิเลส คือของหนูคงยังไม่ค่อยเห็นยังร้างกิเลสไม่ได้ยังมีอีกเยอะเลยค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรมีเยอะก็ไม่เป็นไรสังเกตไหมกิเลสที่ว่ามีเยอะเราปรุงขึ้นมาเองกิเลสมันได้เยอะมาจากไหนเราขยันปรุงนะฮะให้รู้เรื่อยๆไปแล้วก็ตอนที่ในชีวิตประจําวันปกติแล้วเนี่ยฮะถ้าอย่างถ้าแยกกายหนูก็จะเห็นได้หก่อนตอนแรกๆที่ฟังหลวงพ่อปี ปีหรือสองปีแรกจะเห็นว่ามันก้าวหน้ามากเพราะว่าเราจะเห็นแยกท่าแยกขันได้จะเห็นการทํางานแต่ตอนหลังเนี่ยค่ะจะเห็นว่าอย่างเช่นจะรู้สึกว่ามันมันเหมือนกับว่ามันเนื่อยไปแต่จะเห็นลักษณะที่มันละเอียดมากขึ้นเช่นเห็นสัญญามันทํางานอย่างเมื่อกี้เนี่ยตอนนี้กําลังกรกเสร็จปุ๊บลองไปคิดหายกรกดเสร็จปั๊บเมื่อกี้นึกได้แล้วกดอันนี้อยู่กดใหม่อันนี้ก็คือเริ่มเห็นสัญญามันทํางานหรือว่าตอน ที่หลวงพ่อสอนให้คอยดูกา ย, ยดูใจไปเรื่อยๆบางทีอยู่ดีแวบบๆก็จะเห็นตัวเองเนี่ยมันเป็นสภาวะเอามารว ม, มๆกันอยู่อ<ม>แต่งี้ก็ถือว่ามีความก้าวหน้าแต่ในเชิงที่ละเอียดมากขึ้นอย่างนั้นได้ใช่ฮัท ใ, ใหม่ๆมันวือหวาหน่อยนะพอภาวนานๆานไปมันก็เนียนๆหน่อยเป็นธรรมด า, ดาแต่ว่าเราเราไม่เฉื่อยน ะ, ะถึงว่าทุกวันเราทําในรูปแบบอย่างเงี้ยจะทําให้เราไม่ตกต่ํา สุดท้ายก็คือตอนที่หนูนั่งสมาธิค่ะก็จะมีปัญหาว่ามีมีครั้งหนึ่งก็คือนั่งแล้วก็ออกตัวมันหายไปแล้วก็หนูมาฟังหลวงพ่อเทศว่าอันนี้ถูกต้องแล้วแต่หนูกลัวว่ามันจะผิดหนูก็เลยออกมาแล้วก็มีผัานมาก็คือเวลาที่หนูนั่งเนี่ยค่ะมันเหมือนกับว่ามีอะไรที่เหมือนกับใจตัวเนี่ยมันจะระเบิดออกมาคือต้องเลิกค่ะถึงจะถึงจะออกแต่หนูก็ฝืนนั่งอยู่หนั่งไม่เั่งอยู่ให้มันระเบิดไปให้มันตายไปก็จะทําอย่างนี้สักสองครั้งค่ะ พอครั้งที่สามเนี่ยจิตมันบอกว่าให้มองไปเลยว่ามันเป็นอนัตตาจะอึดอัดไปก็อึดอัดไปหนูก็นั่งดูไปเรื่อยๆเสร็จแล้วมันก็ก็หายฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่มีอย่างอีอกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอะไรระหว่างนั่งสมาธิเนี่ยถ้าหนูมองว่ามันเป็นอนัตตาอย่างนี้จะใช้ได้ไหมฮะอันนั้นเรามองโดยการหวังจะแก้มันนะ <c oughs> มันไม่ใช่ว่าใจมันยอมรับหรอกถ้าใจยอมรับก็ได้มากได้ผลไปแต่เนี่ยเราลุ้นอยากแก้ไข มันปลอบตัวเองนะไปทำอีกยังไม่พออย่างลุ้นอยู่กับเรื่ส่งขันพ่อค่ะขอัญญาส่งขันบ้านครับออตอนนี้มันจะแยกขันได้บ่อยขึ้นครับเห็นขันทำงานโดยเฉพาะตัวสังขารขันที่มันเกิดดับแล้วก็มีหลายครั้งที่เห็นความไม่ ไม่ไม่เป็นเราครับแต่บางครั้งก็จะมีความรู้สึกบางๆว่ามันเป็นของเราอยู่ขัน<อ>ที่แยกออกมานะครับเอเอดีดีถูกแล้วลหละมันลดระดับนะจากตัวเราเป็นของเราก่อนต่อไปเ ม, ม่เห็นว่ามไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราเป็นของโลกนะค่อยเห็นค่อยเปลี่ยนเป็นลำดับไปแต่ตัวที่เหนียวแน่นที่สุดก็คือตัวจิตถ้าเมื่อไหร่ตัวจิตไม่เป็นเราล้วก็ไม่มีอะไรเหลือแล้ว่ะได้ธรรมะขั้นต้นลนะ้ ตอนนี้ไม่ยังมีเราซ่อนอยู่รู้สึกไหมมีเงาของความเป็นตัวเป็นตนนะครับภาวนาไปเรื่อยวันหนึ่งมันก็ผ่านค่ะก็เห็นกายกับใจแยกกันไหมเห็นค่ะก็เห็นเป็นบางครั้งเป็นบางครั้งบางช่วงแล้วก็ปกติก็จะเดินจงกรมประมาณวันละสองชั่วโมงออแต่ว่าในช่วงเดินจงกรมก็จะมีที่เพ่งบ้างเผลอบ้างหลงไปเยอะเหมือนกันนะคะออพุงเยอะแต่งสบายๆนะ อย่าไปประคองจิตประคองตัวรู้นะ <Okay. S 1> ให้มันทำงานไปตามธรรมชาติตัวรู้เกิดขึ้นก็ดู mm hmm. ดไปตัวรู้หายไปก็ชั่งมันก็ <Okay. S 1> แ, แค่รู้ว่าตัวรู้เองก็เกิดดับไม่รักษาไป okay. ขอบคุณค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อเจ้าค่ะกลับละวัฏกาลเจ้าค่ะหลวงพ่อยอมวันนี้โยมมีความสุขมากเลยเจ้าค่ะ ก็มีโมหะบนหัวนิดหน่อยเน้ะค่ะแต่พอรู้มันก็จะเออมันแยกกันไปไหมมันก็จะมันก็จะใสขึ้นเจ้ค่ะเราก็ไม่รู้คือโยมเวลาอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์โยมจะแบบปลื้มมาก เ, ออเลยเจ้าค่ะถ้าใจปลืม้มใจพอใจให้รู้ว่าพอใจนะมันพอใจในความสุขความสบายรู้ว่าพอใจอยู่ ใ, <ช>ให้เรารู้ทันถ้าความสุขความสบายหายไปเราไม่พอใจรู้ว่าไม่พอใจ เครรู้ทันใจที่พอใจใจที่ไม่พอใจบ่อยๆยอมไม่ไม่เคยมีความสุขแบบเย็นแล้วอย่างนี้มา่ก่อนเลยเจ้าค่ะ เ, เหืออีกหน่อยก็มี <c oughs> พอนาไปเรื่อยๆแล้วมันเย็นเย็นนะ น, นิพพานแปว่าดับเย็นมีความสุขมากต้องฝึงกก่อนนะ <c oughs> แล้วหลวงพ่อจะ้าคมันมีราคาแท้ก็แบบเจ้าค่ะตรงพอใจนี่แหละราคาละ มันไม่ค่อยเห็นนะจ๊ะค่ะออค่อยๆหันดูไป <laughs> <laughs> ใจมันชอบแต่มันชอบนะมันชอบรู้ว่าชอบมันไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบกลับขอบพระคุณจ้ะค่ะเชิญกลับบ้าน